มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาเมนดกะปัญห า, า, ญหาตัติยวัคอาคาอาคะสมณะปัญหาที่สิบถามว่าเดิมตรัสเรียกพระอริยะที่สิ้นอาสวะว่าสมณะภายหลังเรียกนรชาติที่พร้อมเพรียงด้วยธรรมสี่ประการว่า สมณะเพราะเหตุอะไรพันเตนาคเสนภาสิตังเจตังภควตตาอาสวานังขยายะสะมโนโหตีติราชาสมเด็จบรมกษัตริย์ขัตติยนรินมิลินภูมินทราธิบดีมีสุนทรพจน์นาถพระราชโอคงการตรัสถามอัธปัญหาบทอื่นว่าพันเตนาคเสนาะ ข้าแต่พระนาคเษนผู้เป็นเจ้าประกอบด้วยยานปรีชาพาสิตังเจตังพระวัตาพระพุทธดีกานี้สมเด็จพระองค์ผู้ทรงบุญยราศีสวัสดีภาคหากตรัสโปรดไว้ว่าพระอริยะบุคคลที่เป็นอาสวะไขนั่นแหละเป็นสมณนะปุณะจะปรังครั้นมาใหมายเล่าสมเด็จพระสัพพันยูเจ้ามีพระพุทธดีกาตรัสว่า พระพุทธเจ้าทั้งหลายเรียกนรชาติฝูงคนอันเป็นสมังคีมีความพร้อมเพียงด้วยธรรมสี่ประการว่าเป็นสมณะและคุณธรรมสี่ประการนี้คือขันตีความอดทนประการหนึ่งอปาหารตาบริโภคอาหารแต่น้อยประการหนึ่งรติวิปปานังคือประหารเสียซึ่งความกำหนัดประการหนึ่งอกินจะนัง หากังวลมิได้ประการหนึ่งสีริเป็นคุณธรรมสี่ประการและธรรมทั้งสีน่นี้มีอยู่ในสันดานบุคคลเป็นปุถุชนประกอบไปด้วยกิเลสนี่แหละคำพระองค์ตรัสไว้ว่าบุคคลที่เป็นอาสวะไขแล้วเรียกว่าเป็นสมณะมั่นคงแล้วคำที่ว่าสมเด็จพระพุทธองค์ตรัสว่านราชาชนพร้อมด้วยธรรมสี่นี้ เป็นสมณนะพระพุทธดีกานี้ผิดเท่าว่าถือกระแสพระพุทธดีกาที่หลังนี้ที่ว่านราชาที่เป็นสมัคขีพร้อมเพรียงด้วยธรรมสีน่นี้เป็นสมณนะพระพุทธดีกาตรัสไว้เมื่อเดิมว่าบุคคลเป็นอาสวะไข้สิ้นกิเลสอาสวะนี้และจัดว่าเป็นสมณะนั้นก็ผิดเนี่ยแหละมีอาสวะก็เรียกว่าเป็นสมณนะ ไม่มีอาสวะก็เรียกว่าเป็นสมณะกรณีหรือประการใดไม่รู้ที่ว่าจะถือเอาพระพุทธดีกาไหนเป็นแน่ได้เมื่อพิเคราะห์ไปเห็นว่าพระพุทธดีกาดูประหนึ่งเป็นคำสองไม่ต้องกันอายังปัญโหอันว่าปัญหานี้อุพโตโกติโกเป็นอุพโตโกตินิมนต์พระผู้เป็นเจ้าโปรโดวิสัชนาให้แจ้งในการบัดนี้ พระนาคเษดผู้ประกอบด้วยยานะปฏิสัมพิธามีเถระพาสิทธวายพระพรว่ามหาราชะดูรานะบอพิษพระราชสมภารข้อที่ว่าสมเด็จพระศรีสุคตทศพลพัคขวันตะบอพิษพิชิตมานมุนีมีพระพุทธดีกาโปรดไว้ว่าอาสวานังขยายะสมโนบุคคลเป็นอาสวะไข หากิเลตไม่ได้นั่นแหละชื่อว่าสมณะและข้อที่ตรัสว่าบุคคลประกอบพร้อมเพรียงไปด้วยธรรมสี่ประการนั้นเรียกว่าเป็นสมณะมหาราชคขอถวายพระ พ, พรบพิภรระาชาสมภารผู้ประเสริฐคําที่ว่าบุคคลพร้อมเพรียงด้วยธรรมสี่ประการเรียกว่าเป็นสมณะนี้สมเด็จพระพิชิตมานมูลีเจ้าตรัสว่า ด้วยอำนาจคุณอันพิเศษสี่อย่างของบุคคลเหล่านั้นและเป็นนิราวัเสสะวัจนะหมายเอาสมณะทั่วไปสุดแต่ว่ามีธรรมสี่ประการ น, นี้แล้วก็เป็นสมณะได้แต่เมื่อจะเปรียบเทียบกันแล้วไซก็เลิศ ก, กว่ากันบุคคลผู้ใดปฏิบัติเพื่อจะระงับกิเลสและบุคคลผู้นั้นชื่อว่าเป็นสมณะแต่พระขีณาสะวะทั้งหลายประเสริฐกว่า มหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารเปรียบปานดุดดอกไม้ทั้งหลายอันเกิดในน้ําในบกนั้นก็ดีที่สุดชาติดอกสัตตบุตรประเสริฐกว่าดอกไม้ทั้งปวงยากาจิปุพาอันว่าดอกไม้ทั้งหลายเหลือเศษคือจากดอกสัตตบุตรก็เรียกว่าดอกไม้ดอกไม้ทั้งหลายก็เรียกว่าดอกไม้ เป็นที่ชอบใจคนเหมือนกันแลแต่ทว่าดอกสัตตบุตรประเสริฐกว่ายะถามีคารุวนาฉันใดนะบอพิษพระราชสมภารบุคคลยังไม่สิ้นกิเลสปฏิบัติเพียงดับกิเลสก็ชื่อว่าสมณนะที่ท่านเป็นขีณาศพก็เรียกว่าเป็นสมณนะเป็นที่ทายกจะสการะบูชาแต่ทว่าพระขีณาศพสมณนะ เป็นผู้ล้ำเลิศประเสริฐกว่าปุถุชนสมณะเปรียบดุลเรียกว่าดอกไม้เป็นที่ชอบใจแห่งโลกแต่ทว่าดอกไม้สัตตบุตรประเสริฐกว่านั้นนี่แหละคำที่ว่าบุคคลประกอบพร้อมเพรียงด้วยธรรมเประการนี้เป็นคำวิเศษว่าทั่วไปแก่ปุถุชนอันปฏิบัติเพื่อจะดับกิเลสจัดว่าเป็นสมณะไม่เป็นคาหมายสมณะชั้นสูงอย่างเด็ดขาด แต่คำที่ว่าบุคคลเป็นอาสวะไขสิ้นไปจากกิเลสทั้งปวงนี้เป็นคำอันวิเศษเด็ดขาดเป็นที่สุดไม่มีผู้ใดจะประเสริฐอีกแล้วมหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารเปรียบดุดข้าวสาลีโลกกล่าวว่าดีว่าเลิศก็เรียกว่าข้าวสาลีทั ญ, ญชาตข้าวทั้งปวงมีพันต่าง ที่เลี้ยงกายคนทั้งหลายเหมือนกันแต่ทว่าข้าวสาลีดีกว่าประเสริฐกว่ามีรสกว่าข้าวทั้งหลายมีประการต่างๆยะถามีขรุวนาฉันใดมหาราชะขอถวายพระพ่อนบพิษพระราชสมภารบุคคลที่ประกอบการปฏิบัติเพื่อจะดับกิเลสก็เรียกว่าเป็นสมณนะที่ท่านเป็นอาสวะไข ก็เรียกว่าเป็นสมณะทายกทําบุญได้เหมือนกันแต่ทว่าทานที่ให้แก่พระขีนาสพเจ้ามีผลล้ําเลิศประเสริฐกว่าขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินธราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสว่าพันเตสาทุสะกข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าสัมปติชามิโยมรับถ้อยคําของพระผู้เป็นเจ้าจําไว้ เป็นข้อวัตถปฏิบัติของกุลบุตรอันจะเกิดมาข้างอนาค ต, ตการเบื้องหน้าในการบัดนี้อัคคะอัคคะสมณะปัญหาเป็นคำรบสิบจบเท่านี้จบตติยวัต